ข้อความในมิเินถปัญหาต่อจากครั้งที่แล้วอนุมานปัญหาเรียกว่ากลุ่มที่ปัญหาที่ต้องใช้การคร่ครวนการคำนวณเนี่ยนะความเป็นไปได้ซึ่งพระเจ้ามิรนเนี่ยก็เป็นคนที่ช่างตั้งข้อสังเกตไอ้คำว่าสงสัยของพระเจ้ามิรนเนี่ยไม่ใช่สงสัยแบบ ท, ทั่วไปที่เรียกว่าคนสงสยัย แต่เรียกว่าตั้งข้อสังเกตทีนี้การตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เกิดการสนทนาเนี่ยท่านเป็นท่านก็จะหยิบเรื่องนี้ชมชงโยนไปเรื่องโน้นดูที่ว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วควรจะชี้แจงอย่างไรไม่ใช่ถามแบบคนไม่เลื่อมใสในสาศาสนาถามมาเรื่องไม่ใช่แต่ถามแบบเพื่อต้องการให้ว่าช่วยชําระาศาสนาหน่อยตรงนี้มันมีปัญหาตรงเนี้มันชวนให้เข้าใจผิดนะสำหรับคนอื่นๆเนี่ยนะซึ่งก็หาผู้ที่ตอบปัญหา ได้เช่นกับพระนาคเกษก็หายากนีนะพระเจ้ามิลินก็เลยถือโอกาสถามคําถา ม, ถามหลายอย่างซึ่งคําถา ม, ถามอันนี้เนี่ยนะก็บางท่านก็ชอบใจบางท่านก็ไม่ค่อยชอบใจก็คื อ, คอบวชหรือไม่บวช ด, ดี ก, กันเนี่ยนะก็คือทิ่เหตุปรป치ตะสัมมาปฏิปปิปัญหาการว่าพูดถึงการสัมมาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติอย่างถูกต้องของเครือข่าและ บัปรปะชิตเนี่ยนะว่าระหว่างเครือข่ากับบัปรปะชิตเนี่ยการปฏิบัติชอบชอบมันจะแตกต่างกันอย่างไรเป็นต้นซึ่งพระเจ้ามิเรนได้ถามว่าพระคุณเจ้านาเกษตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้เอาไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราขอกล่าวถึงสัมมาปฏิบัติของผู้เป็นครือข่าและของผู้เป็นบนรรปะชิต หมายถึงว่าครหอขัดปฏิบัติกับบรรพชิตปฏิบัติเนี่ยนะดยการพิสูจนทั้งหลายผู้เป็นเครือขัดก็ดีผู้เป็นบรรพชิตก็ดีซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบแปล ว, ว่าปฏิบัติถูกต้องชอบตัวนี้ไม่ได้ชอบใจนะแปล ว, ว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องจะเป็นเครหอขัดหรือก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้อง ย, อ ย, ย่อมทําญาตธรรมที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้ไม qua, หมายถึงว่าเครหอขัดปฏิบัติอย่างถูกต้องอริยมรรคก็เกิดได้ บันปชิตถ้าปฏิบัติถูกต้องอริยมรรคก็เกิดไดอริยะยายธรรมที่เป็นกุศลก็คือว่าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เรียกว่ายาณธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะพันธุขรหัสถ้าปฏิบัติถูกต้องอริยมรรคก็ประชุมได้บันปชิตถ้าปฏิบัติถูกต้องอริยมรรคก็เกิดรวมประชุมกันได้เพราะเหตุที่ได้ก่อสัมมาปฏิบัติเอาไว้แล้วเพราะอะไรเพราะปฏิบัติถูกต้อง ถ้าผู้ใดปฏิบัติต้องเป็นไปตามวิสุทธิ์ที่ทั้งเจดประการผู้นั้นก็บรรลุมรคผลได้เครือหัดก็ตามบรรประชิตก็ตามสมัยพุทธกาลเนี่ยครือหัดกับบรนประชิตไหนมากกว่ากันที่บรรลุทำก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่บรรลุทำนะเขามาว่าผู้บรรลุมรคผลตัวสมัยพุทธกาลจริงๆเขามาเชื่อว่าเครือหัดบรรลุ ม, มากกว่าเ<ม>ชื่อว่ามากกว่าเครือหัดมากกว่าแต่ไม่ไม่ได้หมายเขาว่าบรรลุอรหรนันนะ โสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะโสดาบันสกฤตาคามีอนาคามีเนี่ยหมู่บ้านบางหมู่บ้านอนาคามีห้าสิบผู้ชา ย, น, ยนะนะผู้ชายอนาคามีห้าสิบสกฤตาคามีเยอะกว่า น, นั้นอีกพระโสดาบันเนี่ยห้าร้อยอย่างงี้ยนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยบรรลุ ก, กันเยอะแยะนะนี่เนื่อพูดถึงหนึ่งหมู่บ้านแนละ้วทั้งเมืองอะ่ะเท่าไหร่เขาบอกว่าอริยะสาวกสมัยพุทธกาลเฉพาะสาวถี่นี่มีหลายล้านะนะหลายล้านถ้าพิสูจ์มีถึงล้านเลยนะ ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะนิระยะสาวกที่เป็นเครือข่านี่มีมากกว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จะเป็นเครือข่าหรือบันประชิตก็ตามต้องปฏิบัติชอบเป็นไปตามสิกขาสามนะนะเป็นวิสุธทธิ์ที่เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องอ า, ญญ า, ากกรยมรรคจึงจะเกิดขึ้นหมายความว่าใครก็ตามเถอะขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงบรรลุมรรคผลได้ทั้งนั้นแหล ะ, ะพุทธพจน์นี่ตรัสไว้เป็นอย่างนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าพระคุณเจ้านาเกษต ถ้าหากว่าพวกเครือขัดผู้ครองภ้าเขาบริโภคกรรมนั้นก็คือคาราว่าทั่วไปใช้ผ้าสีต่างๆเนนะครองที่อยู่หรือครองเรือนที่แออัดด้วยบุตรและภรรยาสเสวยจันทร์หอมจากแคว้นกาสีแลว้วใช้แป้งอย่างดีที่ตัวเองอยากจะใช้ทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูกใยยินดีอยู่ในทองและเงิน ประดับต่างหูและมุ่นมวยผมแปลกแปกกันก็เป็นผู้ปฏิบัติชอบแปลว่าปฏิบัติถูกต้องขนาดเคราะห์คารวะครองเรือนเนี่ยเขาก็ปฏิบัติถูกต้องก็สามารถที่จะทํยาญาติธรรมที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้ขนาดว่าใช้ชีวิตเยี่ยงคารวาะวิสัย น, นะมาคารวะสมัยนั้นน ะ, นะหมายว่าศีลห้ายอย่างน้อยก็เป๊ะอะไรแบบนั้นเถอะจึงจะเป็นฐานรองรับที่จะบรรลุมรรคผลได้ มันก็คารวะเนี่ยนะก็เนี่ยยังหมกมุ่นอยู่กับการทํามาหาเลี้ยงชีพกว่า บ, บรรลุมรคผลได้เอาแล้วผู้ที่เป็นบนรรปชิตครองผ้ากาสายะเนี่ยนะคือเอาผ้ามาย้อมด้วยน้ําฝาดเนี่ยนะเช่นน้ําต้มใบไม้เป็นต้นเอามาย้อมเนี่ยอาศัยก้อนข้าวของผู้อื่นหรือว่าคนอื่นนะสมัยก็ต้องทําเป็นงับก้อนๆ น, นะใส่บาตรนะถ้าบินทบาตขา้าวเหนียวนี่เห็นชัดครับปั้นเป็นก้อนใส่เนี่ยนะเออก็เนี่ยต้องไปรับอาหารของเขาเป็นก้อน ผู้ผู้ทำให้บริบูรณ์โดยชอบในกองแห่งจตุปาริสุทธิ์ศีลปฏติโมกสังวรอินทรีสังวรโพชเนมปัจญาสานิสิตศีลและอาชีวะปาริสุทธิ์ศีลสมาทานประพฤติสิกขาบทที่มาในปาฏิโมกตัวสิกขาบทหลักๆมี150ยห้สิขาบทเนี่ยนะเอาบวกเสขียวัตบวกอธิกรณะสมถะก็จะเป็น227เนี่ยแต่ว่าหลักๆมีรยห้ขาบท ประพฤติในทุดดงคนอีกสิบสาไม่มีเหลือสรุปว่าปฏิบัติดีมากเลยทางกายเหนนระเบียบทางกายเครื่องนุ่งห่มการใช้ชีวิตเหมนนบนรรพชิตที่เรียกว่าต้องจะตุปปาริสุทิสีลประพฤตตามปาติโมกขสังวรรักษาปฏิบัติทุดดงอย่างเคร่งครัดภิกษุเหล่านี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตรงเหมนนปฏิบัติชอบเนี่ยนะแปลว่าถูกต้องคู่ควรแก่การบรรลุมัทผล ผู้ที่ปฏิบัติในฐานะเป็นเพศบันปะชิดก็สามารถที่จะทำยายิธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้ถ้าหากว่าอย่างนี้นะประเด็นก็มีว่าค า, ารวะก็บรรลุได้บันปะชิดก็บรรลุได้พระคุณเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นในบุคคลสองจำพวกนั้นผู้เป็นเครือหัสก็ดีผู้เป็นบันปะชิดก็ดีจะมีอะไรเป็นข้อแตกต่างกันเล่าต่างกันตรงไหนคราวะ เดี๋ยนะอย่างที่ว่าแต่งตัวประดับประดาตบแต่งอยู่กับบุตรกับภริยาครองเรือนทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็บรรลุมรคผลได้บวชมาประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดเหลือเกินก็บรรลุมรคผลได้มันต่างกันตรงไหนการบําเพ็ญตบะเล่าก็เป็นอันว่าไร้ผลไอการประพฤติปฏิบัติขัดกลาวขูดอกุศลออกจากจิตมันมีประโยชน์ตรงไหนการบวชก็ชื่อว่าหาประโยชน์ไม่ได้ มีประโยชน์อะไรบ้างเพราะว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายสูงสุดในศ า, าสนานี้ก็คือการบรรลุมรคลเมือ่อเป็นครหัตบรรลุมรคลการออกมาบวชประพฤติขัดเก่าให้มันเหนื่อยไปทําไมมันมีประโยชน์ตรงไหนเหมือนกันดังนัน้นการรักษาศิขาบทก็เป็นอันว่าเป็นหมันศูนย์หมันก็แปลว่าศูนย์เปล่า น, นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ผลิตดอกออกผลอะไรเลยการสมาทานทุดดงก็เป็นอันว่าเลวเปล่าก็แปลว่าเหนื่อยฟรี เนะช่นเหนื่อยฟรีเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยความทุกทรมานอยู่ด้วยความยากความลําบากประโยชน์อะไรด้วยการสั่งสมแต่ความทุกยากในความเป็นบนรรพชิตเล่าทรมานลําบากก็ลําบากเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยากได้เย็นก็ได้ร้อนอยากได้ร้อนก็ได้เยน็นนะเป็นต้นเนี่ยนะคือคืออุปสรรคมันเยอะเนี่ยนะเหมือนกับว่าอย่างเวลาไปบินทาบาทนี่เขาบอกก็มีมือมีแขนมีเท้าทําไมไม่ทํางานทําไมต้องมาขอทานเขากินเป็นตอนเขาก็จะว่าเอาแบบเนี่ย ท่านเมื่อเป็นแบบนี้แล้วบันประชิตมันมีประโยชน์อะไรเจ็บทั้งร่างกายถ้าคิดไม่ดีก็จะเสียใจเข้าไปอีกเนี่ยเพราะว่ามีความสุขสบายนั่นแลอยู่แบบคารวะสบายๆเนี่ยนะอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากขยันก็ขยันไม่ขยันก็กระว่าตามวิสัยของคารวะทั่วๆไปถ้าปฏิบัติถูกต้องก็บรรลุได้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็สามารถบรรลุสุขในมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่หรือ ประเด็นก็มีอยู่ว่าคาราวาถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุบันประชิดถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุแล้วทําไมต้องบวช ด, ด้วยบวชไม่ใช่เหนื่อยเปล่าหรือเนี่ยนะขอถวายพระพรนี่นะคําตอบเนี่ยถ้าหาว่าเจอคนถามแบบนี้นะถ้าไม่ได้ฟังมิลินทปัญหามานี่เมื่อยใจเหมือนกันนะแหมอ่อนเคลียร์ทางใจเลยวนะ่าไม่น่าจะตอบได้ก็ ม, มาตอบไม่ได้หรอกเชื่อเออมันก็ใช่นะคิดไปคิดมาเออถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็บรรลุได้เหมือนกันนะเออไปต่างกันตรงไหน แต่ว่าพระนากเกษตรเนะี่ยท่านเก่งมากนะยอมรับว่าท่านเยกแยะว่าบรรพชิตกับนักบวชเนี่ยมันต่างกันอย่างไรใครว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆสามารถจําเนกเยกแยะวิเคราะห์ดีชั่วเนี Waters, orer, ่ยนะข้อได้ข้อเสียข้อเด่นข้อ ด, ด้อยของว่าเป็นคารวะกับเป็นบรรพชิตนั้นแตกต่างกันอย่างไรซึ่งคําอธิบายนี่นับว่าลึกซึ้งมากถ้าไม่ใช่ผู้มีปัญญาขนาดนี้นึกไม่ออกเนั่ยนะทั้งที่ก็อ่านพระไตรปิฎกมาเยอะถ้าไม่ ถ้าเหตุผลธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเขามาส่วนตัวตอบไม่ได้นะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะตอบว่าอย่างไรเนะี่ยเพราะว่าฟังมันก็สมเหตุสมผลอ่ะนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายในพุทธศาสนาก็คือการเห็นอริยสัจการบรรลุมรรคผลนิพพานเอ๊ะคารวะเขาก็บรรลุกันเยอะแยะเนี่ยบรรพชิตเนี่ยไม่บวชก็ได้อ่าบวชก็บรรลุไม่บวช ก, ก็บรบบรลุแต่บวชถ้ามันเหนื่อยนะมันลำบากนะ อย่างผ้าเนี่ยแต่งตัวก็ไม่ได้และผ้าเพราะวาผ้าผ่าอนทอนสบายก็จะไปใช้แบบอย่างที่ตัวเองก็ต้องการก็ไม่ได้อยากได้เย็นก็ไม่ได้ร้อนเป็นต้นเนี่ยคือทุกๆอย่างมันจะไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการหมดแล้วเนี่ยนะอย่างโดยเฉพาะในพระวินัยบัญญัตินี่ถ้าไปอ่านแล้วหมาบางคนนี่อ่านปั๊บสายงวัวเลยบอกใครจะไปทําได้เพนั้นศึกษาบทบางอย่างนี่ต้องบวชก่อนนะเขาจึงให้เรียนเพราะอะไรบอกว่าพอบวชปั๊บได้ยินปั๊บเนี่ยบอกโอ้ยใครจะไปทําได้บวชร้องเลยนะ ท่านคนที่อ่านวินัยระดับหนึ่งแล้วโดยมากไม่บทคาระวะที่อ่านวินัยจริงๆเนี่ยโดยมากไม่บทแต่ว่าพูดวินัยเก่งมากเย น, นะท่า <c> น <oughs> ท่านัานากษซตอบนะมาฟังคำตอบว่าขอถวายพระพ ร, พรมหาบ พ, พิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จข้อความนี้เอาไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราขอกล่าวถึงสัมมาปฏิปัติ เรียว่าสัมมาปฏิบัติแปล ว, ว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยไม่ผิดเพี้ยนอย่างถูกต้องเนี่ยนะไม่ผิดพลาดของผู้เป็นเครือขัดและของผู้เป็นบรรปะชิตขอให้ปฏิบัติตรงและถูกต้องเถอะดูกราพิสูทั้งหลายผู้เป็นเครือขัดหรือผู้เป็นบรรปะชิตถ้าหากว่าอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติชอบย่อมเป็นผู้ที่ทําญายธรรมคืออริยมรรคที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้ เพราะเหตุที่ได้ก่อสัมมาปฏิบัติไว้แล้วคือถ้าปฏิบัติถูกต้อ ง, งนะฮะเถะิดทาถูกต้องตามหลักการเนี่ยนะแปลว่าไม่ผิดเพี้ยนเจริญไปตามทิศทางแห่งมัสมีองแปดเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าการเดินทางเนี่ยถ้ามันเดินอยู่ในถนนเส้นเดียวกันเส้นทางเดียวกันจะแต่งตัวแบบไหนมันก็ถึงเป้าหมายเหมือนกันใช่ไหมเพราะทําเหมือนกันแบบฟอร์มเหมือนกันเดินไปอยู่ในทิศทางเหมือนกันถนนเส้นเดียวกันยังไงมันก็มีเป้าหมายเป็นเหมือนกัน ที่นี่ว่าเอเป็นบนรรปชิตกับเป็นคารวาสเนี่ยมันต่า ง, งกันเยอะมากนะ น, นะเพราะฉะนั้นที่ที่เรียกว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องบรรลุเหมือนกันอันนี้พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้จริงขอถวายพระพรส่วนข้อที่ว่าเป็นอย่างที่ตรัสมานี้สําหรับบุคคลผู้ปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติถูกต้องนั่นเที่ยวชื่อว่าผู้ประเสริฐสุดคือเป็นคําที่ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคารหัดก็ตามเป็นบนรรปชิตก็ตามใครปฏิบัติถูกต้องคนนั้นดี นะเขาจะไม่ไม่ชื่นชมในแง่เพศพูดแบบทั่วๆไปนะถ้าเอามรคผลนิพพานเป็นตัวตั้งใครปฏิบัติถูกต้องคนนั้นบรรลุมรคผลนิพพานไม่ได้สงวนลิขิตว่ามรคผลนิพพานเป็นของบรรปชิตหรือเป็นของเครือขัดขอให้ปฏิบัติถูกต้องเถอะถือเอาเอาเป้าหมายเป็นประมาณพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้จริงเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สดุดขอถวายพระพร แม้ว่าเป็นบรัณฑิตแต่ถ้าคิดว่าเราเนี่ยบวชแล้วไม่ปฏิบัติชอบเมื่อเป็นเช่นนั้นเขานั้นก็จัดว่าอยู่ห่างไกลาจากสมัญญาว่าเป็นบรัณรชิตถ้าไม่เป็นบรรณชิตแล้วไม่ประพฤติอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจเรตถ้าไม่ปฏิบัติอยู่ตามแนวทางแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแป<ฮ>ดเขาก็เรียกว่าห่างไกลาจากสมัญญาของบรรณชิตเขาไม่ชื่อว่าเป็น บรญปะชิตเลยเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติปฏิปทาเพื่อเป็นบนรรปะชิดจะป่วยกล่าวไปลายถึงผู้ที่เป็นเครือขัดผู้ครองภ้าเขาเล่าเอางี้แล้วกันถ้าพระภิกษุบวชแล้วปฏิบัติผิดพลาดก็เรียกว่าไม่ดีนะห่างไกลาจากคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดถึงเครือขัดหรอกนะถ้าพระปฏิบัติผิดยังห่างไกลาจากมรรคผลนิพพานจะกล่าวไปใลายถึงคารวะที่ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ใน สัมมาปฏิบัติเนี่ยนะเพราะการบรรลุมรรคผลไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่สัมมาปฏิบัติเพราะผู้ที่เป็นบนรรปะชิตถ้าปฏิบัติผิดพลาดบรรลุมรรคผลไม่ได้ขอถวายพระพรทั้งฤหัตผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้อง ก็เป็นผู้ทำญายธรรมที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้ทั้งบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็เป็นผู้ที่ทำญายธรรมที่เป็นกุศลให้สําเร็จได้ขอถวายพระพรก็แต่ว่าผู้เป็นบนรรพชิตเท่านั้นย่อมเป็นอิสระอิสระแปลว่าเสรีนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเสรีภาพ บรรพชิตนี่มีเสรีภาพและเป็นใหญ่ในสามัญญพนทั้งหลายถือว่าเป็นใหญ่ในสามัญญพลคือโสดาปฏิพบนบรรพชิตเท่านั้นชื่อว่าเป็นใหญ่ในสกท า, าคามีผลอาณาคามีผลและอรหัตตผลขอถวายพระพรการบวชมีคุณมากมายมีคนหลายอย่างมีคุณหาประมาณไม่ได้บุคคลไม่อาจทำการนับคุณของการบวชได้ เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าโอครหัส่าเนี่ยนะสมัยพุทธกาลบรรลุเยอะแยะเลยบรรลุมากกว่าพระพิสุเยอะเนี่ยนะแต่เชื่อไหมพ้นสมัยพุทธกาลนะเครือข่าได้ข่าวว่าบรรลุเยอะยไหมจะว่าเยอะไหมยเยอะหรือน้อยอะ่ะหลังจากเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยนะสาวกไปสอนนะครหัส่าทั่วๆไปโดยมากบรรลุหรือไม่บรรลุฟังข่าวเลยน้อยจะได้ว่าได้ข่าวว่าบรรลุสักทีหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่า สมัยนั้นที่เข้าบรรลุกันในสมัยพุทธกาลบรรลุเยอะเนี่ยเพราะเขาฟังธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเขาฟังตรงๆเลยและพระองค์ตรวจอัธยาสายตรวจอุปนิสัยเขาแล้วแล้วแสดงธรรมคู่ควรแก่บนวาสนาอัธยาสายพันรุ่นนั้นสิ้นชีวิตหมดเนรุ่นหลังๆมายากแล้วนะที่จะบรรลุมรรคผลแบบอยู่เป็นครวาวว่าแล้วจะบรรลุเนื้อถือว่ายากมาก นั้นก็จะได้ข่าวอุบาสกคนหนึ่งเป็นอริยะย่าง น, น, นั้นก็จะได้ข่าวว่าอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอริยะหมายคือว่าหลังสมัยพุทธกาลมาแล้วผู้ที่บรรลุมรรคผลนั้นในเพศคารวสไม่มากเพราะฉะนั้นการบวชนั้นจึงมีคุณมากมายมีคุหลายอย่างมีคุณหาประมาณไม่ได้บุคคลไม่สามารถจะนับคุณหรือบุญของการบวชได้ บุญที่ได้มาจากการบวชคุณในที่นี้ก็คือคุณคือศีลคุณคือสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าจะกล่าวถึงว่าการรักษาศีลเนี่ยเพศคารวะกับเพศครหอขัดอันไหนครหอขัดกับบรณชิตไหนจเจริะได้มากกว่ากันพูดถึงกุศลศีลเนี่ยนะบัณฑิตก็ได้มากกว่าถ้าพูดถึงคุณธรรมคือพรหมวิหารอยู่ด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าโดยเหตุผลธรรมดาทั่วไปใครจะทําได้มากกว่า ถ้าอยู่ในคำสอนสวดมนต์เนี่ยถ้าเป็นคาราวาสสวดมนต์ดังลั่นบ้านไปหมดเลยเนี่ยย่อมว่ามันแปลกไหมถ้าเปิดเพลงลั่นบ้านนี่ปกติถ้าพระพิสุมาเปิดเพลงลั่นวัดนี่ผิดปกติถ้าสวดมนต์ลั่นวัด ปกติยังไงทั้งสรุปว่าวิถีชีวิตการอยู่ด้วยกุศลธรรมเนี่ยนะโดยพื้นฐานทั่วๆไปใครจะอยู่กับกุศลได้มากกว่าทั้งบันปะชิตเนี่ยสามารถอยู่กับกุศลธรรมทั้งหลายอยู่กับคุณงามความดีทั้งหลายทั้งบัปรปะชิตเนี่ยท่านนั่งฟังธรรมทั้งวันเนี่ยนะฟังตั้งแต่เช้าจนเย็นเช้าก็เรียนเช้าก็เรียนพระธรรมบ่ายก็เรียนพระธรรมตอนเย็นก็ขี้แต่เรื่องพระธรรมวันคืนผ่านไปให้อยู่กับพระธรรมตลอดเวลาถามว่าได้บุญเยอะไหม เยอะเนี่ยนะสมมติถ้าหาว่าคิดง่ายๆว่าถ้าคาราวาสมานั่งฟังธรรมหนึ่งชั่วโมงแล้วได้บุญกลับไปหนึ่งชั่วโมงแล้วบัณชิตท่านอยู่กับธรรมะทั้งวันล่ะท่านจะไม่ได้บุญทั้งวันเลยแล้วท่านไม่ได้ทำแค่วันพระวันเดียวท่านทําอย่างนี้ทุกวันชั่วชีวิตของท่านอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันอย่างนี้นะเพราะการบวชนั้นจึงมีคุณมากมายมีคุณหลายมีคุณหาประมาณไม่ได้ใครเล่าจะไปนับบุญกุศล ค, คุณงามความดีที่เกิดจาก การบวชแต่ถึงเขพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีพระเพิ่มแน่นอนเฉพาะตรงเนี้ยนะการไม่บวชแล้วอขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุคคลไม่อาจจะทําการนับค่าของแก้วมณีแก้วมณีพิเศษเนี่ยนะเป็นแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิที่บันดาลแต่สิ่งที่ต้องการว่าแก้วมณีมีค่าเท่านั้นเท่านี้ฉันใด ขอถวายพระพรการบวชมีคุณมากมายมีคุณล้าอย่างมีคุณหาประมาณไม่ได้บุคคลไม่อาจจะทําการนับคุณของการบวชได้ฉะนั้นเหมือนกันแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยสมัยก่อนมีคุณสมบัติพิเศษสูงมากถ้าหากว่าเราเดินทางเนี่ยนะเดินทางไป น, น้ําขุ่นเนี่ยเอาแก้วมณีไปหยดนท่านน่ะมันจะใส่ดื่มได้ทั้งกองทัพเนี่ยนะคือกลายเป็นน้ําพิเศษน้ําชั้นดีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง เป็นเครื่องถ่ายรับถ่ายทอดทีวีของสมัยนั้นหมายค่ะว่าถ้าอยากจะดูแบบดูเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยดูจากเนี่ยดูจากแก้วตัวเนี้ยก็คือสมัยใหม่ก็พัฒนามาเป็นโทรทัศน์นั่นแหละเป็นทีวีเนี่ยนะคือมันก็ดูได้อย่างเช่นดูในชาดกชื่อว่าวิทูรบันดิตเนนะเอาแก้วมณีมาเนี่ยนะปุณกกายาเอาแก้วมณีมามาโชว์พระเจ้าโกรพญเนี่ยนะ คือนักเล่นสกาเนี่ยเอาแก้วมณีเนี่ยมามาล่อดูสิว่าแก้วมณีเนี่ยมันแสดงให้ดูอะไรบ้างอยากเห็นอะไรแก้วมณีจะให้ได้ดูเหมือนกับสารพัดนึกสมัยนี้ก็เหมือนกับกดอะไรนะกดทีวีอ่ะกด UVC กดอะไรทั้งหลายที่มันสามารถรับได้ทั่วโลกอจะดูที่ไหนก็ได้ดูเรื่องของบ้านเมืองไหนก็ได้มันคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้สมัยนั้นแมวมันอัศจรรย์มากเลยนะมันพิเศษมากว่ามันเห็นได้ยังไงมันรับภาพอย่างนั้นได้ยังไงอยากดูสวนอันธวันก็ได้อยากดูดาวดึงก็ได้ แต่ว่าไอ้ทีวีสมัยใหม่ยังดูดาววดึงไม่ได้นะแต่ก็ดูแต่ได้สวนจิตรดาวันสวนอะไรอย่างเงี้ยมิ ส, สกวันสปารุ ส, สกวันอะไรหลายๆอย่างก็พอดูได้นะแต่ว่ามันคนละฝันคนละคนละเมืองเทวดามั น, นแล้วเทวดีเนี่ยก็แก้วแก้ ว, แ ก, วแก้วมณีตัวนี้เนี่ยนะสา ม, มารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอีกหลายๆด้านใครว่าถ้าใครไปส่องตัวเองตอนหน้าแก้วมณีแล้วจะเป็นคนมีเดช เป็นคนที่มีรมัศมีมีอำนาจเกี่ยวกัคนมีสิริเนี่ยนะมีความเรี่ยวกัเด่นแล้วก็ใหญ่ยิ่งใหญ่มากเพราะอนุภาพของแก้วมณีเหมือนนเพราะฉะนั้นแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดินี่มีคุณหาประมาณไม่ได้คือประเมินค่าหาประมาณไม่ได้ฉันใดผู้ที่บวชก็มีคุณมากมายเช่นกับแก้วมณีอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าแก้วมณีเนี่ยนะอย่างแก้วมณีเนี่ยมันเป็นเป็นแก้วที่สําคัญมากเวลาพระให้พรเนี่ยนะ จะใช้คําว่ามณีโชติรโสยะถาจะได้ยินตลอดว่ามณีโชติรโสยะถาขอความปรารถนาของท่านเนี่ยนะจงสว่างสวัยเหมือนแก้วมณีอันรุ่งเรืองหมายว่าปรารถนาแล้วให้มันคิดนึกสมใจคิดออกคิดได้ได้ประโยชน์รับอย่างที่ท่านต้องการเนี่ยในคำให้พรนั้นนะมณีโชติรโสยยถาเนี่ยะนะยายานเป็นตอนที่เขาให้พรนั้นนะท่านก็ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุเนี่ย ท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าท่านปรารถนาะมนุษย์สมบัติก็ถือว่าเป็นเรื่องคือเขาดูดถูกกันมากเลยนะถ้าบวชประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของสมณะทั้งหลายตามแบบแผนของพระพิสูจน์ทั้งหลายแล้วปรารถนาะมนุษย์สมบัติเนี่ยเขาาดูเหยียดหยามมากเลยนะแต่เขามาดูถูกก็คือดูหมิน่นเหยียดหยามดูแคลนมากถึงปรารถนาเป็นเทวดาเขาก็ยังดูหมิน่นปรารถนาพรหมก็ถือว่าเ้ายังชั่วหน่อยงั้นเถอะแต่ก็ยังยังคอรหาอยู่ว่า ปรารถนาวัตตะก็คอรหาอยู่ว่าปรารถนาวัตตะเพราะว่าผู้ที่อยู่ในศีลอยู่ในคุณธรรมและปรารถนาอะไรบ้างให้สําเร็จนะพระองค์บอกว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ปรารถนาสิ่งใดๆก็สําเร็จเนี่ยนะในสังขารูปฏิสูตรท่านการที่จะพูดถึงว่าถ้าเจริญศรัทธาในพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยข้ารหกบันประชิตไหนจะเจริญได้มากกว่ากันคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยกว่ากัน ข้อที่หนนะข้อที่สถ้าพูดถึงศีลเนี่ยนะถ้าเจริญศีลรักษาศีลให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุณธรรมประจําใจเป็นทรับเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะถามว่าเครือข่ายก บ, บันประชิดเนี่ยอันไหนจะปรารบศีลได้บ่อยกว่ากันแล้วอย่างที่สต่อไปสุตะเนี่ยนะศึกษาพระธรรมเป็นเรื่องเป็นราวถ้าบอกว่าคารวะเนี่ยนะเช้ามาก็มาเรียนพระธรรมเย็นก็กลับบ้านเช้ามาก็เรียนพระธรรมใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดชั่วชีวิตมีกี่คนทําได้อะ มีน้อยมากเลยนะแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะประเทศไทยนั้งประเทศอาจจะมีสักห้าคนอย่างเงี้ยหกสิบล้านอ่ะนะอาจจะได้สักหคนอย่างเงี้ยอาจจะมีเนี่ยพอมีก็เน้นกัว่าเขามีทําบุญมาดีเนี่ยนะพ่อแม่เลี้ยงมดเลยเรียนธรรมะอย่างเดียวยนะแต่เขาก็ทําไปอย่างอื่นหมดแล้วเจ้านี่ไม่ยอมอย่างเดียวนะจะเรียนแต่ธรรมะเขาก็เลยปล่อยมันไปก็ดีไปเข้าบอล เ, เข้าบาก็ว่างไป น, นนะแต่นี้พูดถึงย้อนกลับมาว่าบรรณชิตนั้นสา ม, มารถเรียนคําสอนได้มาก พันท่าบันประชิตอ่านพระไตรปิฎกไหมดูงามไหมถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ทูสวยไหมมันดูต่างกันเยอะถ้าคารังหัดเนี่ยนะมาเปิดหมาหนังสือพระพุทธรูปไม่มีแต่ธรรมะไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นดูหนังสือพิมพ์ก็อกปกติพัะสุตะที่จะเรียนคําสอนเนี่ยนะเรียนคําสอนเรียนวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระพิธรรมปิฎกนี่ยมันเหมาะกับบันประชิตมากพันบรนประชิตสามารถที่จะสุตตะได้เยอะถามว่าในการท่องจําเนี่ยนะ ใครมีเวลาในการท่องบนสาธยายท่องจํามากถ้าเทียบกับบรรปะชิตกับคารวะท่านเรียนวิชาเดียวกันเนี่ยนะบรรปะชิตกับคารวะนั้นอ่ะถ้าให้เวลาเท่ากันอะไรเท่ากันเนี่ยบรรปะชิตก้าวหน้ากว่าเยอะในการเรียนพระธรรมนะหมายา็ว่าถ้าบรรปะชิตใส่ใจถ้าใส่ใจจริงๆระหว่างคารวะใส่ใจสติปัญญาเท่ากันความรู้เท่ากันวัยเท่ากันพื้นฐานเท่ากันเรียนวิชาเดียวกันระหว่างบรนปะชิตกับคารวะ บัรฑิตเรียนจบสอนคนอื่นต่อได้เพราะอะไรเพราะมีเวลาเยอะมีเวลาไปคิดมีเวลาไปทบทวนมีเวลาไปไค่ครวญก็คือมันเป็นอาชีพมันเป็นชีวิตของท่านอ่ะอยู่อย่างนั้นตั้งแต่คำนวนว่าตั้งแต่ตื่นมาจนหลับอีกทีหนึ่งเพราะชีวิตก็อยู่กับอย่างเงี้ยตลอดแล้วนี้ต่อไปพระค า, ารวาตก็ที่จะมาตรัสสาธยายพระธรรมเนี่ยตื่นมาเกิดสวดมนต์ดังๆไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นก็ว่าเอาเนี่ยนะ แล้วคนห้องใกล้ห้องเคียงก็จะเดือดร้อนเนี่ยนะสวดมนต์มากไม่ได้นะมาต้องบนสาทยายพูดพุมปัแต่ร้องเพลงไม่เป็นไรนะร้องลั่นบ้านเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรกันก็าอาจจะแหนบกันเล่นเล่นนิดๆหน่อยๆนะแต่ไปสวดมนต์ดังๆไม่ได้ในบ้านมันก็เป็นอย่างงี้จริง ๆ, ๆแล้วต่อไปจา่าคะาล่ะมันประชิตเนี่ยสละได้ไม่มีส่วนเหลือเพราะแม้กระทั่งที่อยู่ที่อาศัยจะลุกไปให้ใครอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนไม่เรื่องที่อยู่ที่อาศัยเรื่องอะไรให้ได้หมดเลยว่างั้นแต่ อัน น, นี้พูดถึงคุณนะคนที่มีเป็นบนรรพชิตโดยคุณนะสมบัตินะนะว่าเขาสามารถจาระสละได้ทุกเรื่องถ้าค า, ารวะโกรธกับบรรพชิตโกรธเนี่ยนะค า, ารวโกรธไม่มีใครบ่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าบรรพชิตโกรธเมื่อไหร่นะี่ยุ่งเหมือนกันนะ เขาก็ถือว <and> ่าไม่งาและไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเรียกว่าห้ามโกรธอัไนเงี้ยมันอยู่ในว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามโง่ด้วยอะไรนะห้ามเสื้อหั่งน้ำเสื้ห้ามอะไรคือคือมันถูกเหมือนกับว่าบัญญัติห้ามโง่ห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงและห้ามสะสมด้วยนะให้อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่ามีบทบัญญัติเอาไว้อย่างงั้นทาอาหารมามาสะสมก็ไม่ได้ต้องให้ทานไปทั้งหมดมันจะบินตบาดมาได้หนึ่งคันหนึ่งลำกุยนมาก็ช่างเหอะเพราะได้มาปั๊บเนี่ยฉันได้เท่าไหร่อิ่มเดียวที่เหลือแจกหมดนัะ มันก็โอกาสในจาฆ่ามันก็มีมากทีนี้บรนประชิตเนี่ยนะถามว่าในเรื่องการให้ทานเนี่ยบรนประชิตจะกับคารวะตใครจะรู้ว่าใครเป็นนาบุญได้มากกว่ากันนะบรนประชิดนั้นมันอยู่ในเวทวงเดียวกันมันรู้ใช่ไหมว่าใครศีลดีใครศีนไม่ดีใครสมถะดีใครสมถ tha ไม่ดีใครพิปัสนาดีไม่ไม่ดีใครที่มีคุณธรรมเหลื่อมล้ำเหนือกว่าภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยนะเราะนั้นคะารวาัตอาจจะได้เห็นแต่เฉพาะตอนที่เขาจัดฉากแล้วก็ได้ อาจจะไม่ได้เห็นภาพที่เป็นจริงเพราะไม่ได้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมพันศี น, นี่เพิ่งรู้ได้อยู่อ่าเรียกว่ารู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกันนานๆจริงจะเข้าใจได้คนมีปัญญาเท่านั้นจริงจะรู้ได้และมณสิการเท่านั้นจึงจะรู้ได้พันบรประชิตด้วยกันเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องศีนมาพรั น, นเขาจะรู้ว่าใครศีนดีใครศีนไม่ดี ก็เรียนมาด้วยการอะไรมาด้วยการปฏิบัติเหมือนกันพื้นฐานฮิริโอตปะได้ไหมเพราะบางองค์เนี่ยแหมเข้าฉากเนี่ยเนี๊ยบเลยนะใครจะนึกใครจะนึกว่าพ่อบอกหลังฉากก็อีกเรื่องนึงอีกองค์หนึ่งมันหน้าฉากเนี่ยดูไม่ดีเลยแต่ว่าหลังฉากจริงจริงอะท่านเสมอต้นเสมอปลายเรียบร้อยมากเพราะเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยว่าดีจริงหรือดีไม่จริงแล้วองค์นั้นเนี่ยมีศรัทธาแค่ไหนมีสติแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนเจริญอริยมรคมีองค์แปดนั้นพูดถึงเรื่องจากกะการให้ทาน ที่ให้ถูกนาบุญบรประชิดให้รู้จักให้กว่ารู้ว่าควรจะให้แก่ใครเพราะในการทําบุญให้ทานทั่วๆไปถ้าบรนประชิดแล้วถามว่าอาหารที่ได้มาถ้าจะให้ทานท่านก็ได้มาโดยสุจริตธรรมก็สามารถที่จะให้ทานได้อย่างดีแล้วพูดถึงการเจริญปัญญาเนี่ยนะอ่าเพือพูดถึงการเจริญปัญญาการเรียนปฏิจจสมุปบาทอะไรเป็นต้นเนี่ยการเรียนอริยศาสตร์การเรียนข้อปฏิบัติต่งตางๆอ่าและการเจริญปัญญาทั้งหลายบันประชิดก็ถือว่าเจริญได้เยอะ นี้ท่านก็สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุสตะจาระและปัญญาท่นบันประชิตก็เหมือนกับแก้วสารพัดนะึปรารถนาะสิ่งใดก็สมความปรารถนาะขอให้ท่านมีคุณธรรมจริงและตั้งความปรารถนาด้วยความจริงใจเนี่ยนะด้วยความจริงใจและมีคุณธรรมจริงนะนะเหมือนคนมีทรัพย์มีมีทรัพย์นะปรารถนาจะซื้อสิ่งใดก็สามารถที่จะหาได้ฉันใดผู้ที่มีศรัทธาศีลสุสตะจาระปัญญาก็สามารถที่จะ ได้อย่างนั้นท่านบรรพชิตทั้งหลายจึงสา ม, มารถที่จะเรียกว่าปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนาเนี่ยนะสา ม, มารถที่จะได้สมความปรารถนาจริงๆจึงเลยเรียกว่าเหมือนแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะท่านมีคุณธรรมมากพอที่จะปรารถนาแล้วสําเร็จเนี่ยนะพูดอย่างนี้เผื่อใครจะบวชเพิ่มกันหอยมั่ง